รู้คิดเรื่องราวต่างๆท่านวาศีนข้อนี้สำเร็จด้วยสติ 3. อาชีวะปาริสุทติศีนศสีนคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะได้แก่เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ไม่ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิดเช่นไม่พูดอวดอุตริมนุสธรรมคือฌานวิโมกสมาธิสมาบาัตมัคผลนิพพานที่ไม่มีจริงในตน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 และไม่เอาลาบต่อลาบเช่นให้ของน้อยแก่เขาไปเพื่อว่าเขาจะได้ถวายมากตอบมาเป็นต้นท่านว่าสีนข้อนี้สำเร็จด้วยวิริยศีลปัจจสยสั น, นสิตศีลสีที่เกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่ปั จ, จัจปัจจเวกหรือปัจจยปัจเจเวกขณะคือใช้สอยปัจจสี่ด้วยพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ ไม่บริโภคด้วยตัณหาเช่นชั้นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้สุขภาพดีมีชีวิตผาสุขทำกิจได้สบายช่วยให้มุ่งไปได้ในไตรสิกขาไม่ใช่เพื่อปรนเปลอหรือสนุกสนานมัวเหมาท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยปัญญา